พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าธรรมะหัวโนธรรมโมหัวแตกวันนี้เป็นวันที่26 พฤธภาคมพุทธศักราช2556พระทั้งหมดในวัดของเรา38รูปลงมาฉัน35งดฉัน3นาคหนึ่งวันนี้เป็นวันประชุมเพลิงของหลวงปู่คูณสุเมโธวัดป่าภูดินเคลื่อนศพ10 นาฬิกาจากซาลาใหญ่ลงไปสู่เมนแล้วก็เริ่มพิธีตั้งแต่บ่ายโมงพระสวดมาติกาบังสกุลคงอันดับแรกก็คงแสดงธรรมเทศนาก่อนคงจะเป็นหลวงปู่แบนวัดโดยธรรมเจดีเป็นองค์แสดงธรรมจากนั้นขาคงจะเริ่มพิธีสวดมาติกาบังสกุล แล้วจากนั้นก็คงจะเริ่มพิธีบังสกุลเป็นจากนั้นก็คงบ่ายสี่โมงจะมีการประชุมเพลิงแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปไประชุมด้วยตามที่จริงก็เป็นลักษณะอย่างนั้นละก็คงจะคณะสงฆ์ก็คงจะจัดกันแต่ว่าทุกอย่าง ถ้าหาว่าฝนไม่ตกนะก็คงจะเรียบร้อยแต่นี่โอ้ฝนตกตั้งแต่ท่านเอาศพของท่านมาตั้งแต่วันที่สิบสองท่านบรณะวันที่สิบสองมาถึงวันที่สิบสามฝนก็เทลงพ อ, อ, อร่างของท่านศตรีละของท่านมาถึงวัดจากนั้นพอกลางคืนคืนแรกหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรม ก็ฝนเทลงในช่วงนั้นอีกเกือบจะพูดไม่ได้แต่ลงพ่อพูดไปเกือบ ค, ค, ค, ครึ่งครึ่งกลางๆลางฝนก็ค่อยช้าลงค่อยหยุดแต่คณะกันยังรินพรัมพมจากนักตกมาเรื่อยๆตัวนักการทำงานของคณะกรรมการทำงานจัดงานนียรู้สึกว่าลำบากใจพอสมควรงานนี้ งานหลงพ่อคูณเนะี่ยพ่อวาวฝนตกอุปสรรคใหญ่คือฝนตกและทุ่มเป๊ะไปหมดที่แรกก็ปรับสถานที่ให้กว้างเพื่อเป็นที่จอดรถแต่นี้ก็เป็นดินใหม่รถมันก็เข้าไปมันก็ดินใหม่ฟังเทว่าดินใหม่ดินไม่ได้บดอัดฐานรถใหญ่เข้าไปก็เหยียบดินชดลงไปอีกแต่เนี่ยปรับท่ารดก็ยิ่งและ เนี่ยแะเห็นเมื่อวานเเมื่อวานก็หลวงพ่อไปกลางคืนเคยคิดว่ามันฝนไม่ตกตอนที่หลวงพ่อไปพอหลวงพ่อออกมาจากวัดยังไม่พ้นวัดยังไม่พ้นถนน น, นั่นแหละใกล้ๆบริเวณวัดฝนก็เทลงอีกจะคงจะบริเวณก็คงจะเละพอสมควรอนัะวันนี้ะ พราะนั้นแต่หลวงพ่อเมื่อฉันยังหันแล้วหลวงพ่อเองก็จะได้ไปไปในงานอ่าไปในงานของหลวงพ่อคูณคงคงจะเตรียมรถเกี่ยวกับโฟวินไปนะ่ะข่าวนี้นะว่าคงจะเข้าไปข้างในพอสมควรพรหลวงพ่อคงจะเดินไม่ไหวแต่สาหรับพระที่จะไปองค์ไห น, นจะไปไหมอันนี้ก็ออบอกไปท่านหน่อย ให้ท่านรัตนะกับท่านหน่อยนะให้รัตนะท่านหน่อยจัดพระไปพระองค์ไหนที่ยังไม่เคยไปแต่ก็ต้องไปรถตู้นะเอารถตู้ให้คันหนึ่งไปแต่ว่าการไปเนี่ยเราจดถ้าว่าใครก็ตามต้องการความสะดวกสบายนะไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นได้เลยนะหลวงพ่อพูดเลยล่ะถ้าต้องการความสะดวกสบายแล้วไม่ต้องไปเพราะว่ามันทางเละแน่ๆหลงพ่อเห็นแล้วมันเละ เนี่ยภาวนาอยู่ในวัดบูชาพระคุณของท่านก็ได้นะแต่ถ้าว่าอยากจะไปดูก็ไม่ว่าการให้เอารถตู้ไปคันหนึ่งแต่อย่าเข้าไปในงานนะอย่าไปบังคับรถเข้าไปในขี่โค้นนะถ้าว่าบังคับรถเข้าไปในขี่โคน้นเป็นความผิดของโซเฟอร์อันดับหนึ่งอเป็นความผิดของพระที่ไปในรถอันดับสองฮะเพราะฉะนั้นใครขับรถเข้าไปแล้วไปติดอยู่ในหล่มออกมา รถบุกบี้ไปหมดหเพราะเหตุไรเพราะเข้าไปจอด ใ, ในขี้โคลนขี้ตรมรถออกมาไม่ได้รถฟรีติดอยู่ในนั้นแสดงว่าโซเฟอร์ไม่ควรจะขับรถอีกต่อไปเพราะงั้นแหละหลวงพ่อบอกอย่างนั้นได้เลยเพราะหลวงพ่อบอกเล ย, เยถ้าใครต้องการอยากจะสะดวกสบายเข้าไปใกล้ อย่าไปไปไม่ได้หรอกรถติดแต่ถ้าหากว่าเอา้าอยากจะไปดูเดินไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรจอดรถจากถนนไปประมาณเกือบหนึ่งกิโลอย่งค่อยเดินเข้าไปอันนั้นจะได้เพระรถจะเยอะแล้วก็รถจะติดเพราะมันเป็นขี่โครนอย่างที่ว่านั่นนะอันนี้ก็ขอให้บอกพวกท่านทั้งหลายช่วยกันคิดกันแล้วกันนะ องไหนจะไปองไหนที่ไม่เคยไปนั่นแหละองไหนที่เคยไปแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรไปกราบสิริละทันแลกกับรวัดซะแต่สําหรับหลวงพ่อเองใ น, ในฐานะหัวหน้าถ้าไม่ไปเสียหายเสียหายอย่างมากไม่ใช่เสียหายอย่างน้อยอีกแต่สําหรับพวกท่านทั้งหลาย ก็อย่างที่หลวงพ่อพูดนะให้ช่วยๆกันคิดนะสำหรับศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันใครอยากจะไปก็ไม่ว่ากันรถใครรถเราไปแต่ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี่แหละแต่ก็ปัญหาก็เรื่องนี้เรื่องสถานที่นะพ่อสมควรข่าวนี่ยลำบากพอสมควรเผลอๆรถอาจจะถาไลายไปชนกันก็ได้ถ้าเราเบียดเข้าไป วันนั้นตองเรามาระวังเนะนหลายคนแล้วก็เมื่อวานตอนบ่ายสี่โมงก็มีจดหมายทางราชการทางจังหวัดแล้วก็มาส่ง ม, มาทางอำเภอแล้วก็บอกว่าตัวแทนพระ อ, องค์โสมที่จะมาในงานประชุมเพลิงของหลวงพ่อคูณสุเมโธเนี่ย คือก่อนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพราะองค์โสมเสด็จมาในวัดของหลวงพ่อคูณแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปหรอกหลวงพ่อไม่ได้ไปวันนั้นแต่หลวงพ่อทราบแล้วก็หลวงปู่ท่อนเป็นองค์แสดงธรรมท่านเสด็จมาที่วัดป่าภูทองจากนั้นพอหลวงปู่คูณมรณะภาพลงไปก็ ทูท่านเพื่อรับทราบพระลงปูคูณมรณะภาพแล้วท่านก็ติดภารกิจท่านไม่ได้เสด็จก็เลยให้น้องสาวของท่านคือหมอมหลวงชลารีกิติยากรมาแทนแล้วก็มาเมื่อวานนี้มาถึงกุดอน แต่ก็เลยมาที่วัดของเราก่อนอยากจะมาเห็นเพราะไม่เคยมาท่านแนะนามีกลุ่มแนะนาให้มาวัดหลวงพ่อก็มาถึงที่นี่ก่อนที่จะมาถึงกับฝนเทลงมาอีกเหมือนกันนะที่วัดของเราเมื่อวานนะตกอย่างแรงเลยพอท่านมาถึงฝนก็หายหยุดที่มาก็มาสนทนาแต่หลวงพ่อให้แนวความคิดเมื่อวาน หลวงพ่อแนะนําแนวแถวสายหลวงปู่มันหลวงพ่อวันแนะแนวสายแนวแถวของหลวงปู่มันเพราะว่าในโลกนี้ในประเทศไทยก็เถอะเทวทั้งโลกพิธีการภาวนาวิธีการบริกรรมตามแนวแถวพุทธและก็นอกจากพุทธเอกก็มีหลายๆแนว แต่หลายๆแนวเหล่านั้นจะว่าแนวไหนผิดแนวไหนถูกเราก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยในในการปฏิบัตินั้นได้แต่เอาเถอะเราจะไปวินิจฉัยคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนีปนน้ประเทศนั้นประเทศนี้มันกว้างไกลเราเอาเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องแต่ก็มีคนมาถาม หลวงพ่อเหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้ชายหนุม่มคนหนึ่งเข้ามาถามมาด้วยกันสองคนคนหนึ่งปฏิบัติสายหนึ่งคนหนึ่งปฏิบัติสายหนึ่งแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพปฏิบัติสายหลายสายกว่าสายยุบน้อพองน้อบ้างสายเพ่งดวงแก้วบ้างสายยกมือบ้างสาย กําหนดดูตัวผู้รู้กําหนดดูใจด้วยอแล้วก็มากกว่านั้นอีกที่เขาพูดไปแต่นี้พอศึกษาหลายสายเท่นี้ยเขาก็ไม่รู้จะเดินสายไหนเขาก็คิดหนักจนตาแดงเพอเผอจะเป็นประสาทจะเป็นบ้าเอาท่เนี้ยมันคิดหนักไม่รู้จะเดินสายไหนมันหลายสายฮเขาก็พาเพื่อนจากอุดรมา อุดรก็มาทกเถียงกันในรถมาจนถึงมามาถึงวัดหลวงพอ่อพ่อมันไม่ลงกันใช่ไหเนี่ว่าธรร ม, มะหัวโนธรรมโมหวแตกไงธรร ม, มะหัวโนก็คืออะไรพอถกเถียงกันไปก็กำปั้นเออกต่อยกันตีจนหัวแต ก, ห, แตกหัวบวมไปองั้นเถอะเออพกช้ำดำเขียวไปเนี่ว่าหัวโน ห, ว น, นหัวแตกนัเออจนถึงก็หัวแตกเลือดไหลนี่แหละ เพาเถียงธรรมะกันก็ลักษณะอย่างนั้นถกเถียงกันมาจากอุรามาถึงที่นี่พวกนั่งเครื่องมาพอมาถึงหลวงพ่อก็จะไปทุระหลวงพ่อก็ยืนก็ผมอยากจะถามธรรมะถามเรื่องอะไรเขาก็เลยเล่ า, เ ล, า, เ, ลาเล่าให้ฟังทั้งสองคนเขาก็เล่าให้ฟังหลวงพอ่อแสดงว่าคุณจับประเด็นไม่ได้นะที่ผมหลวงพอ่อฟังดูแล้วเนี่ย เพราะธรรมะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้สมัตินี่คือทําจิตให้สงบตักรรมฐาน40่สินี่แหละกรรมฐานสี่สะคือยึดกรรมฐานไหนก็ได้ที่จะทําจิตใจให้สงบต้องคิดดูตัวนี้ก่อนแล้วก็กรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้คือสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรม กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละคือกายก็คือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกายไม่ใช่เหรอจมูกไม่ใช่เหรอลมไม่ใช่กายเหรอกายใช่ไหมอันนี้ก็คือกายกายยานุ ป, ปัจนาสติ ป, ปัฏฐานยุบหนอย่างหนอก้าวหนอกายยานุ ป, ปัจนาสติ ป, ปัฏฐานใช่ไหมเพ่งอยู่ที่ดวงแก้วอยู่ที่ในร่างกายของเรา แพ่งอยู่ในกายกายานุปัจนนาสติปฐานใช่ไหมแล้วก็ยกมือขึ้นยกมือลงด้วยความสัมผัสในการเคลื่อนไหวอันนี้เวทนานุปัจนนาสติปฐานใช่ไหมถ้าหาว่าดูจิตใจตัวเองในการเคลื่อนไหวใจของเราใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ใจของเราคิดเรื่องอะไรตามดูจิตใจของตนเองในขณะนึกคิดให้มีสติในดูจิตใจของตนเอง ใจของเราคิดเรื่องอะไรให้มีสติในการดูใจของเราอันนี้เรียกว่าจิตตานุปัจนาสติปัฐานใช่ไหม เ, เมื่อดูอารมณ์ที่มากระทบถ้าหาว่าอารมณ์มากระทบเราดีใจเราได้เงินได้ทองออได้ลูกได้ล้านาประสบความสำเร็จในการศึกษาแล้วก็ ได้สิ่งของมาเป็นที่พอใจเอออันนี้เลยว่ามันมากระทบทำมานุปัตนา จ, จ, จิติปัฏฐานมากระทบทางใจเราดีใจอันนี้ว่าทำมานุปัตนาจิติปัฏฐานถ้ากระทบทางไม่ดีเท่าไหเขาดาเขาว่าเขาดูถูกเกีดยดติยำเราเข้ามาเราก็นุกขุนเคืองในใจไม่พอใจโกรธในใจ อันนี้ก็เรียกว่าทรมานุปันนจนาสติปัฏฐ า, านเนี่มาแค่ว่าธรรมาคำนี้เนี่มีทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์ไม่ดีทั้งอารมณ์พอใจทั้งอารมณ์ไม่พอใจเรียกว่าทรมมานุปันนจนาสติปัฏฐานสรุปแล้วคือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักต้นต่อทั้งสี่อย่างคือกายานุปันนจนาสติปัฏฐานเวทนานุปันนจนาสติปัฏฐานจิตฐานุปันนจนาสติปัฏฐาน ทำมานุปัจนาสติปัฏฐานถ้าเรารู้จากต้นเงาทั้งสี่สังตีสติปัฏฐานนี้แล้วเราก็จะได้สังเกตว่าการบริกรรมเรีอกว่าการดำเนินบริกรรมฐานนั้น่ะมันเข้าในสติปัฏฐานไหนเราก็จะได้รู้ว่ามันเข้าในสติปัฏฐานไหนกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมถ้าเรารู้แล้วอย่างนี้เราก็ จะรู้ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทถนี่เราไปศึกษาเรื่องกายญาุปัสจนาสิติปฐานเวทนาจิตตาธรรมะเราก็งงเถไม่งงได้ยังไงเออเพราะว่าการทําอย่างนั้นเขากะว่าเขาจิตใจสงบด้วยความได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุกอย่างนี้อย่างนี้เน่ไปถามคนนั้นคนนี้นี่นี่เน่ไปถามใครกันนี่นี่เน่้ทนี้ตัวเองไม่รู้จัก ไม่รู้จักแยกแยะในกรรมฐานนั้นมันก็งงพ่องงมันรู้จะเดินทางไหนเราก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังนี่แนะวิชาอาชีพในโลกเนะี่ยมีมากหลากหลายวิธีทำนาวิธีกรีดยางวิธีทำสวนข้าวโพดวิธีมันสำปะหลังแล้วก็วิธีขายผลไม้มากมายหลายๆอย่างทั้งเงาะทั้งทุเรียนทั้งมังคุด มันเป็นคนละแนวกันทั้งหมดวิธีการรักษาจากนั้นก็ข้าราชการหลายๆแผนแล้วก็พ่อค้าประชาชนขายสิ่งของมากหลากหลายขายข้าวขายมันขายเออของชําขายน้ําปูน้ําปลาขายอะไรมีเยอะแยะขายโต๊ะขายเตียงขายเก้าอีกถ้าเราไปศึกษาอะไรก็ดวนแล้วแต่ได้เงินทั้งนั้นตายเราจะไปทําทุกอย่างเลยทีนี้ กระโดดไปทํานาหน่อยหนึงไปกียรติยางหน่อยนึงไปทําไร่ข้าวโพดหน่อยหนึ่งไปงานสำหรับรอยหนึงกลับมาขายน้ํามันหน่อยหนึ่งผลในสูงก็เป็นบ้าตายเลยสิจัยเพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่ได้ยึดแนวแถวอันไหนไม่ได้ศึกษาให้ดีอมันจะเป็นบ้าครับตาแดงเข้ามาอเลยจัยเพราะเหตุอะไรเพราะอันไหนก็ได้เงินทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดนี่ล่ะเอาเถอะ เราทั้งหลายเรานะอย่าไปยึดจะไปทําอย่างอื่นเอาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นก็แล้วกันที่หลวงพ่อจะแนะนําหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าอยากจะให้จิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งให้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโถถ้าหากว่าจะยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาที่โคลนต้นโพ วันเดือนหกเพนนะ์ที่ท่านได้ตัดรูนะ้ท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพวกเราเป็นสาวกมันจิตใจไม่เข้มแข็งมันหลุดได้ง่ายให้พวกเราเอากรรมฐานสองอย่างพนวกกัน อาณาปานสติกับบริกรรมพุทโธหายใจเข้าอาณาปานสติแล้วก็พุทหายใจออกโทธค่อยๆสองบริสองกรรมฐานผนวกกันนี่แหละแต่กรรมฐานผนวกกันอย่างนี้มันผิดไหมจะผิดได้ยังไงเพราะกรรมฐานพระพุทธเจ้าวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างสี่สิบประการ ที่ให้พวกเราบริกรรมทาจิตใจให้สงบคือให้มีสติสัมปชัญญะในลมในกรรมฐานนั้ น, นพุทธานุสติะระลึกถึงคุณของพระพทุทธเจ้าธรรมานุสติะระลึกถึงคุณของพระธรรมสังคานุสติะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์สีลานุสติะระลึกถึงสินของตนที่สํำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยมีความสุขอย่างไรไม่มีโทษอย่างไรคนที่มีสิ ยาคาโนจิติเริ่ลึกถึงทานของตอนเองเริ่ลึกถึงการทําทานของตอนเองทำเราทําทานแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรคนขี้ตีนทีเนื้อมันรู้จักแบ่งปันใคร เ, เป็นยังไงทานะศีละยาคะเทวะตาเทวะตาเกิดริลึกถึงเทวดาผู้ที่จะไปเป็นคนดีที่จะเป็นเทวดานะทําคุณงามความดีอย่างไรจึงได้เป็นเทวดาจึงได้เป็นคนดี ก็ต้องเป็นคนดีไป ท, ทำยังไงถ้าเป็นนักเลงหัวไม้ไปป่นไปฆ่าเขาจะเป็นคนดีได้อย่างไรคนดีก็ต้องมีศีลห้ามีกำมังบทสิบสํารวมกายวาจาใจให้เป็นคนดีนี่แหละผู้ที่จะเป็นเทวดาอาณาปานะัตติกำหนดลมหายใจเข้าออกมรณะนะุสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตดตนจะต้องตายนะอีกสักวันหนึ่งนะอย่าไป ล้มหลง ม, ม, มัวเมาอะไรปากไม้นะใจนะตายแน่ๆ น, นะมนานะนุสติอุปจมาณุสติและลึกถึงคุณของพะนิพานที่ระงับกิเลสโลภโกรดหลงพ้นทุกในวัฏฏะสงสารนี่แหละอันนี้วาอนุสติสิบอันนี้คือกรรมฐานจากนั้นทางก็วางไปอีกทั้งกรรมฐานทั้ง4ี่สิบอย่างและนอกเหนือจากนั้นไปอีกยังมีอีกถ้าเราศึกษาในพระตไตรปิฎกแล้วพนั้นเอาเถอะ ถ้าเราอยากจะเดินออไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ให้ยึดตามแนวแถวหลวงปู่มั่นก็นแล้วกันนะเพราะเราน่าจะตายใจได้ที่หลวงปูม่มันสอนให้ศึกษา เ, ออเมื่อจิตใจสงบแล้วท่านให้พิจารณาอะไรจะเดินกรรมาฐานอย่างไรวิปัสสนานะท่านเดินอย่างไรออปล่อยวางอย่างไรทางด้านจิตใจออแล้วก็ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราเมื่อท่านจากไปแล้วกระดูกและอธิฐานของท่าน ยังกลายเป็นพระธาตุให้เราได้เห็นเราก็น่าจะตายใจได้เราน่าจะเชื่อถือได้เราน่าจะยอมรับได้ที่กรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกได้แนะนำพวกเรานี่แล้วเพราะตัวของท่านเองเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วอัติธาตุของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นทอดทอดมาครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกเราอย่าไป <g ười> กระโดดนั่นกระโดดนี่ เอาไปเอามาแต่ตาแดงขึ้นมาจะเป็นบ้าได้ง่ายๆอย่างที่ว่าถามอะไรเขาก็ว่าเขาได้เงินทั้งหมดแต่ตามไม่จริงการได้เงินของเข า, าก็คือวิธีการปฏิบัติของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางองค์ก็ยึดพุทธานุสติอย่างเดียวบางองค์ก็ยึดท ร, รมาณุสติบางองค์ก็ยึดสังขานุสติบางองค์ก็ยึดศีลานุสติสรุปแล้วก็คืออยู่ในสติปัฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม ว่ากาหนดกายกลมหายใจเข้าออกก็ยังจับไม่อยู่ทะเลาะทะลเลาหลุดไปไม่รู้ว่าหลุดไม่รู้กี่ครัง้งตัวกี่หนต่อหนึ่งนาทีแล้วจะพิจารณาดูจิตความนึกคิดของจิตมันจะไปเห็นได้อย่างไรพอมันจิตมันละเอียดกว่ากายขนาด จ, จับลมหายใจเข้าออกก็ยังจับไม่อยู่จับไม่ได้แล้วจะไปจับตัวผู้รู้คือจิตใจนะนะั่นน่ะไม่มีทาง พอกำหนดไปเนื้อก่อนน่ะเหมือนหมาเห่าบางหลวงพ่อว่าบางเมื่อมันบางออกจากโพรงแล้วมันมันบินไปหมามันวิ่งไปมันก็มันก็กลัวชนต้นไม้ใช่ไหมเนะเออพอหาเลยมองหาแล้วเห่าไปเลยมันบางออกจากที่เห่าไปพอในสุดบางมันลูกไปที่ไหนก็ไม่รู้หมาก็เลยเออเห่าซ้ายเห่าขวาเห่าหน้าเหา่าหลังไม่รู้จะเห่าที่ไหนเพราะไม่เห็นตัวบางเลยเนะอันนี้ก็เหมือนกันอนะ สติของเราเนี่ยมันไม่ทันตัวผู้รู้เมื่อไปตันตัวผู้รู้ไม่รู้จะจับได้ยังไงเพราะมันละเอียดจิตตาอนุปัฏนาสติปัฏฐานเนี่ยมันละเอียดธรรมานุปัฏฐาสติปัฏฐานเนี่ยมันละเอียดตะเวทนาน่ยพอรู้ได้เพราะมันเจ็บปวดแต่กายานุปัฏนากําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้ได้ถ้ามีถ้ามีสตินะถ้าหาว่าจับลมากายานุปัฏนาสติปัฏฐานก็ยังจับไม่ได้ ยังขาดสติจับเวทนากน็ละเอียดเข้าไปหน่อยก็ขาดจะจะไปจับจิตตานุปจนนาธรร ม, ม า, น า, านุปจนนาเจติปัฏฐานเอีแปลว่าสรุปแล้วก็คือคว้าน้ำเหลวแต่พูดพูดได้เอพีพูดพูดชื่อก้หลูทีเดียวละ่ะแต่พอเอาข้อจริงๆน่ะมันคว้าน้ำเหลวเพราะนั้นให้ยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่น ที่ท่านบอกกาหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดกว่าหลวงพ่อขอแนะนำนะส่วนจะเอาอย่างไรไม่เอาอย่างไรก็สูตแท้แต่นานาจิตต่างนานาทัศนะอันนี้คือการแนะนำพอมาถึงแล้วก็ต้องแนะนำบอกเก่าแต่เมื่อวานนี้ก็หลวงพ่อก็ได้พูดกับออมอมหลวงท่านก็พูดอย่างนี้แต่ไม่ละเอียดถึงขนาดนี้ละ แต่กแ็แนะแนวว่าหลวงปู่มั่นปฏิบัติอย่างไรทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางแนวแถวไว้อย่างไรนี่แหละก็ให้พวกเราคณะจทธายาตโยมลูกหลานนะฟังฟังและให้ศึกษาศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติแต่หลวงพ่อเองก็แนะนำเมื่อวานก็แนะนำอีกเหมือนกันให้นับดูนะเพราะว่าโลกทุกวันนี้เขาชอบนับกันทุกวัน พอคือตื่นขึ้นมากันนับเงินไปฉับใจใช้สอยยังไงก็นับล่ะเออนับเงินใช้จ่ายเท่าไหรเศษเหลือเท่าไหร่ทอนมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ก็นับเงินอีกเพราะฉะนั้นเราถนัดในการนับให้นับลมหายใจเข้าออกดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกจนถึงร้อยถ้ามันไม่เผยนะกับมาอีกนับหนึ่งเหมือนกับเรานับเงินะถ้ามันเผอก็แปลว่าเออ บางทีเพอเพอเราจะไปยื่นให้เขาเราไปยื่นให้เขาเขานับแล้วไม่ไมพอเ น, นี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือการนับเงินคือมันขาดแล้วมันเกิ น, นอันนี้ของเราก็เหมือนกันนับหนึ่งนับสองให้เรานับหนึ่งเป็นเลขขี้นับสองเป็นเลขคู่หายใจเข้าขี้หายใจออกคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยไม่เผล่จะแสดงว่าสติของเราใช้ได้หนึ่งนาทีกว่า ตั้งนาฬิกาดูก็ได้เอไม่เพล่หนึ่งนาทีกว่ากว่าแต่ถ้าว่านับไปไม่ถึงสิบแล้วเพลอ่เอาเพล่เอาไม่ใช่จะหัวลาอแห่ๆได้สินะเอ่ยเพลอ่อย่างนั้นเพล่เพ ล, อ, เพล อ, อีกสักวันหนึ่งหนึ่งเอ่จะแก้ผ้าเปลืองผ้ากระโดโดโลดเต้นเน่ะเป็นบ้าเลยสนินีะผมยาวไปเลยเรื่อยเลยเพ่าะอะไรเพราะมันขาดสติไอ้คนที่ขาดสตินั่นแหะพวกที่เป็นบ้าทั้งหลายคือคนขาดสติไม่ใช่อย่างอื่นน่ะ แต่เรามันขาดน้อยก็พอปั้มปัมเปื่อๆนะถ้าขาดมากกว่านั้นก็อย่างที่ว่านั่นนะเออถ้าขาดมากนะเพวกเราไม่ใช่ของสนุกนะขาดสติขาดสตินี่นะอถ้าขาดชะตังค่อยยังชั่วอยู่ถ้าขาดสตินี่แย่กว่าขาดสตังนะสติกับชะตังในมาด้วยกันคนมีสติก็ต้องมีสตังฮะถ้าคนขาดสติแล้วจะตังจะเกิดได้อย่างไรเหมือนกับคนบ้านะไม่รู้จักสตังคืออะไรเผลอๆเอไปให้มันมันฉีกทิ้งอีต่างหากฮะ เพราะอะไรพอมันขาดมันขาดสติแล้วมันก็ไม่มีสตังคนะ์ดนะัะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกคนนะฟังฟังเอาไว้เพื่อการศึกษาหนะลวงพ่อพูดเป็นภาพรวมนานาจิตตังนานาทัศนะเพื่อการศึกษาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายผู้นำจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวความคิดนะรับพอ น, อนุโมทนาให้พร